สบายเงี่ยในฝ่ายเขาคงเยอะของอนค์ข่อยสบายมันยุ่งกับอะไรเพราะมันคายออกหมดเลยคือว่าไงเพียงกับโลกกับดวงใในกามันมีตาแต่ธาตุขันไม่อำนอยจีตใจมันหดกลมาหดกลมาแล้วไม่ได้เล่นกับอะไรเลยฮิดดีกับพระก็ไม่มีเหมือนกัน ป spot, ระชาชนผนเฉยๆนั่นหลงพ่อเทศในกองทุเท่านับมันแน่นหนาข้นมาทำงานในฟังเทศไวยก <im iyorum> anyway. ่อนก็ไม่กลับทนเฉยๆนั่นติเทศก่อนเช่าเียงปังเรื่งปังเพราะฉะนั้นเวลาออกจากนั้นไปแล้วใครจะไปยุ่ไหเคยได้นะเป็นคนลูกเลยก็ปักคิดเป็นปักคอเลยะ อยู่ลำต้นนเาพอเหมาะพอดีกับการส่งธาตส่งขันทีองบืนเลยเพราะความสงสารเท่านั้นเองไม่มีอะไรต่ําขวดมีแต่ความสงสารเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเหลือเลยมดุดทุกอย่างคิดเรื่องอะไรแล้วมันก็ไม่อยากคิดมันโหดเข้ามาหมดเหมือนโลกนี้ไม่มีว่าอะไรแล้วแต่ความรู้กับขันที่คลองกันอยูน่นะ โหดขนาดนั้นทจะว่าไงเขาขายเขาขไม่อยากพูดยี่อะไรเลยทั่วโลกอะไรเล่นด้วยทั้งนั้นอยู่ไปเรื่อเหมือนไม่มีจิตไม่แยกออกไปว่าอันนั้นมีอันนั้นไปอันนี้เขาก็กินเขาเขามีเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีไม่มี กินไม่กินเนี่ยนวเากามชาของเขาเองเขาก็มีความรู้สึกว่าเขามีเขาเป็นตาเราไปห็นก็มันจะตีความหมายมาหูดความหมาหมาสบัตเองอะไรกเป็นความหมายทีมาจากตัวเองทถึงนั้นมีกวมหมายะไรยินเป็นบ้าต่างหากัน นรู้เรื่องมันชัดเจนนั่ปล่อยหมดมันเป็นอย่างนั้นเหมือนโลกไม่มีตัวนี้ขันก็ยิ่งหนักเข้าหนักเข้านะน้ำวันหนักเข้าลวลุกไปเดินไปไปไหนไม่อยากเดินไม่เหยียดลุกหรอนั่งเหยียดลูกนะอ่อนนมันออน้มัน มารอดอกนันทอันนี้นุ่งเลยขับขี่ไว้ชวคู่ชัวยยามกกลับมาเข้าอู่สามเดือนสี่เดือนก็ไม่ออกซ่อมอวันนี้เหอกนกันไปมาช่วงอุทยานเหนื่อยเมื่อยนกี่วันซ่อมเกการวาาาใหม่รรคสาท่าต่าง กหลอนมานี่คือเด่นมาคิดเด่นมันละเอียดนแหลมคมมากตัดโลกตั้งแต่วันเกิดจนตั้งวันตายไม่เห็นโทษของคิดเด่นเนื้อขึนนิดหนึ่งนี่ที่งูไม่มุดเรามันจะพูดมันเต็มปากนี่นะเรียนมันเหนือมันไปทีมันเหนือมาแล้วมันรมดเลยเปรียสไม่อยู่จะว่างไรไม่รู้มันก็รู้แตมันมีอยู่ไม่ให้รู้ได้ไงเนี่ย มันแสดงมาตั้งแง่ไหนมุมไหนมันรู้หมดรู้หมดเวลาไม่รู้ทําไรมันก็ไม่รู้ตั้งรู้มันก็ไม่รู้เตรียมท่าให้รู้ก็ไมรู้เตรียมท่าละก็ไม่ละก็ไม่รู้อะไรมาละเนี่ยฟังดิเวลามันหนามันหนาวโหจิตที่เล่อยู่ขนาดนี้มันถึงได้คลองโลกน่ะ่มื่อจิดตวิญญาณดวงใดมันเป็นเจ้าหน้าเจ้าหน่า อยู่ข้างหลังกันเลยไม่เห็นนี่นะอยู่บุบีค อ, อเราอยู่บีคอเราอยู่ไม่เห็นแล้วออกมาข้างหน้าคอหเห็นตัวเห็นรูปรายเหมือนเสอือคอยช่วยนี่ไม่เห็นเลยมีอาการที่แสดงออกจากขันมีถึงจากถิ่นงการออกมาทาให้คิดในปุ่มเวลามัน ม, มีอย่างนั้นก็ดีขอ้นมาอะไรไ ม, มีเรื่องขิเศษถีบออกมายันลงกมา นันเอป็นออกมาจากหลักธรรมชมาโดยหลักธรรมชาติทั้งมันเหมือนยังขันท่านผู้บริสุทธิ์อย่างขันทกข์ผู้ดีเจ้าขันพระละขันท่านอมมีดิดด่ดออกมาไอ้ตามียาของขันสมุดเฉยไม่มีอะไรผลักดันออกมาผิดกันหนึ่งนั้นุงปแล้วมัดมก็ดับเท่นั้นดันไม่มีใครยึดใครถือใครกิดที่พอตัวแล้วประยึดหาอะไรยึดอะไรนั่นอันนี้เรียกว่าพอ ทำให้ติดนก็ไม่ติดทำให้ยืดก็ไม่ยืดมันเนยเป็นฐานนะเมื่อมันพอตัวแล้วไปอย่างนั้นก็เป็นหลธรรมชาติอันหนึ่งจะทําให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เหมือนกิเลสเวลามันมีในหัวใจมื่อมันไม่ควรจะเหตุจะผลที่มันจะหลุดจะลอยไปได้แล้วบังคับสรมันก็ไม่ออกอย่างเราเห็นอยู่ในหัวใจของเราเองเวลามันมีอหน้าของมันมันก็เป็นยังไง บังคัให้ออกก็ไม่ออกิดออทําคนละกันว่ามีอํานาจทําบางคับให้ติดก็ไม่ติ ด, ตดว่าไงจริงๆมาด้ระมัดระวังรักษากลัวจะกําเริบเสื่อมสารนีนึงอย่างนั้นมันก็เหมือนกับโรคไม่หายที่กินอะไรก็ไปคอยแต่จะแสดงมันสงบของมันีเฉยคอยแต่จะกําเริบ พอโดนของแสดงเข้ามากน้อยก็แสดงปเป็นมาอีกเ่างนี้งโรคไม่หายถ้าโรคหายจริงมันก็ไม่มีอะไรมาแสดงนี่จิตเมื่อกี้เลยมันหมดซะจริงสิ้นเศร้าจริง อ, อะไรมาแสดงฉันจะว่าหมดจริงตั้งแต่ว่าจัตตลู่ธรรมบรรลุธรรมเท่านั้นนะไม่มีคําศัพท์ไม่มีต้องนมัม่นระังาษา เราเปิดก็เปิดทวารเปิดตามหูจมูกเรื่องกายฟังเสียงคิดอ่านอะไรๆให้เต็มอิสระไม่มีอะไรมายุ่ ก, กวนนันานทำมันหมดน้อก็เป็นอย่างนั้นเด็กทให้เป็นเหมือนกีเิเลสเหมัอนตะก่อนก็ไเป็นก็ไม่มีอะไรมาทําอะไรมาเป็นงนั้นแหะจิตชาวพุทธานต์คด า, า, า, าดยังไงมันก็ไม่ถูกทําไม่เป็น ม, มีขาก็ขาขาดทุกขากขาดรวมขาก็ย่ำไปมันไม่เหมือนอะไรพังจะว่าแดนจะมุดปไปเลยมีชิ้นไหนจะไปเทียบไปเชียบปเป็นคู่แข่งได้แลจะเป็นเหมือนได้นั่นจะไม่เห่าะสมดมุดหรือ มันไม่ขัดไม่ติดอยู่กับอะไรไม่เกี่ยวกับอะไรในชะ่ไหมอย่างนั้นจะอะไรจะเกิดก็ไม่มีอย่างใหญ่บวย่าน้สายใหญ่หักกั้นเ อ, อกแล้วมันก็มีสายใหญ่ดึงต่อกันมันยังมีสายใหญ่ละเอยียดส่วนใหญ่ขาดจากการส่วนย่อยมันนังเป็นสายใหญ่ติดต่อกันสมมติส่วนใหญ่ส่วน ละเอียดก็เป็นอย่างนั้นตัวละเอีก็เป็นแบบที่ว่าสายใหญ่บัวริก่นเห็นหมดรูหมดตัดขาดหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจะอะไรไปต่อต่อพบต่อชาแมวสายใหญ่บัวคือกิเลสคนละเอียดนี่ไปต่อมันต่อะไรมาต่าออาาปิยาอชา ต, ต้องผนไม่มีใครรู้พระพุทเจ้าเขาถึงละแก้วไปเลย ถอนปวดไรก็ไปไรก็ไปไม่มีไหนมันเป็นมันก็เป็นู่ตรงนั้นพราะไม่มีทีไปอันนั้นเป็นที่พายเกิดให้เป็นตามตามข้ามก็ไปตั้งก็ไปตามไปจนถึงตัวของมันก็ทั้งธรรมะที่ท่านสอนไม้ท่านสอนตามให้ตามก็ไปยังไงคําว่าภาวนาเน่ยก็คือให้ดูเร่องรอยของจิตให้ดูเรื่องของจิตเนี่ยคําว่าภาวนาคำอย่างนั้น พอจิสงบมันก็เห็นโทษของความผุ้งสารเนี่ยมันก็เห็นในขณะอยากเท่านันไม่สงบไม่เห็นจนเป็นบ้าก็ไม่เห็นพอสงบนั้วก่อนเห็นโทษของความผุ้งสารเห็นคุณค่างความสงบเนี่ยนี่ปัญญาของมันกันพอสแสดงตัวออกมากับการทุกการตีกิเลสฆ่ากิเลสมันจะมาความพร้อมกันตามส่วนหยาบส่วนกลางของปัญญาส่วนลอียดของปัญญาสแสดงมาเท่าไหนก็เริ่ม จะทุกจะตีที่เหยแล้ว่งให่อยากเข้ามาก็าอะไรก็ยิ่งตัดก็ไปขาดกไปให้อยากเต็มที่อย่างที่ว่าเะไรภาวนานอะนอี้ปัญญานั่นเป็นเองนะเหรียญนี่ว่าเขียนใบตายให้มันไม่ทันเมื่อมันถึงเวล า, าที่จะสังหารมันแล้วนั่นแหละปัญญาไปสังหารที่เลย ไฟลามทุ่งลามเรื่อยมันจะยังมากเนะชื่อไฟไม่พ้หนหรอกนั่นเลยเอาจนเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนะลามไปอย่างนั้นไม่ถอยมีเท่าไหร่ก็จะไปเหลืออะไรก็เมื่อมันลูกมันลามมันมั่นตลอดนี่เหมือนกันมาถึงขั้นสติปัญญามีกำลังเป็นอย่างนั้นท่านถึงว่าอัตโนมัติเป็นเองเป็นเ อ, อยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เดยไม่ขึ้นกับเ อ, บอียบบก ขึ้นอยู่ความเคลื่อนไหวของธรรมที่สังหาริเดตันั้นเคลื่อนไปไหนไว้ไปไหนมีแต่ไหวฆ่าริเดถึงวาล่าแล้วเปงั้นไม่แค่จะได้บีบบังคับให้คำักศาสนาให้ค่า ร, เ ร, เริเดตตลอดเวลามีที่บรรดาบุญนี่อัปตันตุนิานทำให้เป็นฆ่ากับฆ่าเพืว่างานเลยไม่มีทาง เป็นแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆความละเอียดเข้าไปําว่าภาวนาปัญญาปัญญาก็ไม่ใช่ขณะอย่างเดียวละเอียดลงไปและเอียลงไปแหลมคมลงไปจนเป็นเหมือนกับปรมาโนความละเอียดความปัญญาประเภทนี้เป็นเองเป็นเองขึ้นมาละเอียดเฉยมันขุดมันคุ้ยขึ้นมาเองหะตอนหาตี่ันอยู่มั น่แต่มันยังไม่หมดกันยังรั่วมีเลยยังฆ่าไม่ได้ก็ยังรั่วมีแล้วแล้วก็จะข่าอีกตลอดนะอืมท่านอาจารย์อาจารย์จริงหร อ, อพระพุทเจ้าที่ท่านเฉียงว่าในธรรมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาไมไ่ทราบเท่าไหร่แล้วยอมหมดเลยจริงนะ เพราะอุบัติขึ้นมาอยู่เลยไม่เคยถอยไม่เก็หยุดรับแต่พระองค์แล้วมาก็เรื่อยมาถึงจะช้าก็อุบัตตลอดเนี่ยจะาม่เป็นสองเป็นสามไป่ได้ไงเมื่อหนึ่งแล้วก็เป็นสองสองแล้วก็เป็นสามช้าก็เป็นสามช้าก็เป็นสี่ล่านสุดท้ายก็เป็นล้านเป็นเป็นล้านล่านลาสุดท้ายก็หมดนอะไรนี่ยคือ ขนาดเม่ถี่เม็ดทายก็นั้นเท่าไหร่โลกวันนี้อุบัติังงั่นทางอุบัติของพระพุทธเจ้ า, ออานะก็อริยสัมปนย์เนยเมื่อองคงหนึ่งเอาอุบัติได้อุ้งหนึ่งทำไมอุบัติไม่ได้ก็ทางเดียวกันงานเดียวกันทำไมวะทำหยู่ไม่ถอยไม่สําเร็จได้แล้วนั่นแต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์สาวองท่านที่อุบัติขึ้นมาเป็นอาราบบุคคล จากอริยสัจนี่มีเท่าไหร่ยินัยแราว่าเวลาจะเพียงพระพุทธเจ้าภาษา v o ของท่านแต่ละองค์พระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้มากขนาดไหนมีจะอุบัติอุบัติได้นหมของอยู่ในฐานะที่เป็นพอแล้วเป็นได้เปลนได้ไม่แค่ว่าพอแล้วพอแล้ว อ, อย่างเขาบัญชีเขารับสมัครกดสมัครตอนนั้นหมดพอรับนนั้นแล้วก็หมดแล้วว่างไม่ได้เต็มแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติไม่ได้อีกแล้ว เพราะเต็มแล้วอ น, นี้ไม่เคยมีพระรหัตอุบัติมาได้เพราะเปพราะเต็มแล้วอย่างนี้ไม่มีอริยสัจมีอยู่กับทุกคนนั่นเปิดขึ้นตรงนั้นของใครของเรานี่นไะม่ไปขึ้นกับใครทุกสมุทัยนี้โลดมากอยู่ในไหนแก้กันตรงนั้นเป็นสิติของตัวเองอุบัติได้อุบัตได้ผมมันหมดทิงิงหมดไม่มีเลยยังเหลือยังย น, นิดหนึ่งนี้ไม่ปล่ากว่า ว่าภูริเจ้าัสงหายจะอุบัติขึ้นมาไม่ได้มากแสนมากไหนเพราะโลกอันนี้มันนานแสนนานอยู่ร่องรอยของจิตดิจิตของเราดวงเดียวนี่มันเป็นมาอย่างไมพูดให้เต็มปากเลยแล้วไม่ชอบก็ไม่านตั้งแต่วันเราเกิดมาเนี่ยนับพบนับชาติของเราจนกระทั่งเพิ่มบัตนี้จนกรังเราตายไม่มีจบพบของคนคนเดียวเท่านั้นมันเป็นยังไรฟังซิมันเกิดมานานเท่าไหร่แล้วมากขนาดไหนถึงขนาดที่ว่า นับมาตั้งแต่วันเกิดจนกรทั่งวันตายไม่จบในภพชาของเจ้าของเพียงคนเดียวตัวนี้หลายยึดดงเดียวมันเกิดมันตาย ม, มามากขนาดไห น, นา้านะมันเกิดมันตายมากมากอย่างนั้นเองกเวลาแก่ับแกตรงนั้นตรงมันเกิด ไม่ให้มันเกิดม่ให้มันเกิดตรงนั้นก็แก้ได้ตรงนี้แก้ได้เมื่อพอแล้วแก้ได้แก้ได้มีเท่าไหร่มันก็มันก็เป็นประการต่างกันลำดับอันดามันเองมันก็เขียนไว้ในวิสุทธิมนต์ผมเห็นน้ำบุตรเทียตุรีสัญญาดัวสัญญาสหสุทธิปัญจสตสหัสสั่นนมามิสีส่างเส็จทั้งธรรมมันจะทั้งขานจ่าได้เลยนะนิมามิฮันนันกาลพอนี่ เป็นทัานหนึ่งธรรุนธรรมาพระเจ้าเท่านัา้ น, นตโตองค์เนี่ยในที่ที่สองนะธรรมบุตรปัญจปัญญ า, า ส, าสัจจะสติวตีิชาสกิเลนนี่นามรรมะสถานพระเจ้าเท่นั้นโตองค์ทเรียกกำแพงมากต่อมากระพาะมากเลยถึงเวลาที่สามนี่กัมบุตรนวุตรสสเตอัทธา ส, าสตาลิซากินนี่ก็เป็นล้นลานๆนะนั่นแล้วที่เขียนว่าในสมมติ เพราะว่าคือมันมันมันเหลือจะเกินคือเหลือเชื่อมันไม่เคยเป็นมันมันเหลือเชื่อนี่กเหมือนยังภาชนะเท่านี้จะเป็นบรรยูภูเขาทั้งโูกมันได้ยังไงนั้นนั่นภูมของบุพชิต้าภูมิของการพูตัดตัลโลกไม่ใช่ภูมิของคนตาบอดของหนวกอย่างที่อันเหลือจะเกินนี่เนี่ยถ้ามันแบบภูมินี้มันก็ไม่มีแล้วศาสนาในโลกมันไมีใครจะมาตัดตัลโลกได้มันก็แบบเดียวกันนั่น แล้นั่นทภูมิท่านไมได้ภูมิอย่างนี้นนไม่ไดภูมิกะลาเอากะลามะพร้าวไปตักน้ามหาสมุทรน้ามหาสมุทรมันมากขนาดไหนแลาาน้วกะลามะพร้าวมันใดญตัวขนาดไหนเท่าก็โถนไหมละ่ะและ้วไปตักน้ามหาสมุทรให้มันเอาบรรจุในกระโถนอันเดียวเนี่ยหมดทั้งมหาสมุทรมันได้ไหมละ่ะนั่นเจ๊เที่ย้องมือิจิตเราเปนจิหลวงตาหวั่นมันเลยบรรทุก บรรจุความสว่างาจากแจ้งข้บโลกธาตุเหมือนโลกพุทเจ้าและเสาขั้นได้อย่างไรน mm. านเาเะครับเหลือจะคืน mm. ผมเห็นเขาเขียนฟุตนวดไว้ oh, โอ้โหสลดสองเห็นนะอ๋อ oh, อย่างนี้เองนะแล้วตัวเท่าหนูหนี่มันยังเป็นแต่แล้มันยังข้ามได้อย่างจังๆเลยนะเราไรุ้มาตลอดมาตั้งเท่าไรกี่กับกี่กรรมมาแล้ว mm. นานเท่าไรทไมไม่มาก พอคิดดูจนกระทั่งบพบชาติทั้งหลายคนเดียวเนี่ยยังได้ขนาดนั้นนะเนี่ยแม้ในมีตัวทุกข์ท่ทานนะเนี่ยสามเดือนนอกทุกข์ท่านไม่เชื่อก็าตาง ม, มันเชื่ออยู่คนเดียวนี่ด้วยความสนัดชัดเจนใน่หัวใจนี้อยู่ว่างไรตามมาหรือก็ตั่งมาถึงปัจจุบันขาด บ, บ้านหนองในปัจจุบันเอาที่นี่จะต่อบครั้งหน้าทัศน์ทายอีกซึ่งแต่ก่อนมันจะต่อไปแบบเดียวกันค่ะมันต่อกัอนมานี่ เกิดตายเกิดตายมันไม่ยังไปข้างหน้าเขาไม่มีกรหนดเหมือนกันกนีอ้อฟานลากแก้วมันจะขาดทะบัานไปแล้วเอาอะไรมาต่ออันอ๋สิแล้วก็เห็นดุจชาตินั้หัวใจนี่ขาดทะบ้านมาหมดไม่มีเะไรเงื่อนสิบเงนินต่อกันเลยแล้วจะเอาอะไรไปต่อก็อมันไม่มีจิตสืบที่จะต่อนั่นยึดตีแล้วหมดแล้วที่นี่นั่นมันก็ว่าได้สิอย่างพุที่เจ้านักด่า น, นีิพุนโภโว่างความเกิดอีกตายอีกแบกบทุกข์อีกของเราไม่มีว่างอนเต็มหัวใจ อย า, อางไรนมีมเห็นหยู่งก็จะประจักษ์กันนั่นและาสันติที่ครูไม่ถามใครไม่สนใจจะถามใครเลยแม้วงศาลาพระประทํะาอยู่ข้างหน้าก็ตามซึ่งเป็นครูสอนโลกมาแล้วเคารพกลาวว่าข้าสุดหัวใจไม่ทูลถามนั่นฟังเ่ะสิ่งที่ไม่ทูลถามนั้นก็ตจมหัวใจอยู่แล้วอย่าอะไรไปทูลถามพระองค์ก็สอนให้รู้อย่างนั้นนี่เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วถามอะไรพระ อ, องค์สงสัยพระ อ, องค์อะไร เมื่อไม่สงสารธรรมชาติอันนี้แล้วสงสารรูปเดียวยท่านก็สอนมาตรงนี้นี่นะเนี่ยมือท่านั้นนีนนนนโตเสือสองเห่านั่ น, นสัดโลกโอ้ังรู้รูวร้ว่าโง่มันจัดเน่เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งจูบไป น, นะก็ปาทารากกอรักพาชาํงกอดชังพาเบียดก็เบียกพากรูก็กรูดพาฆ่าก็ฆ่า มันพาอไม่ให้รู้เลยว่าสิ่งเหลนี้เป็นความผิดสิ่งนี้เป็นภัยสิ่งนี้เป็นขี้เด็ดคือตัวภัยพาใเป็นไม่รู้เลยดีดูแม้ก็ไปฮู้เวลามันเหนือมันมันมันถึงได้เอามาพูดทีดีมันเหนือมันก็พูดได้ไม่พูดได้ก็มันเห็นเนี่ยผิดได้ไงเมื่อมันเห็นแล้วไม่พูดไม่ได้ไงแต่ไม่เห็นกันกัยังมันก็ยังเป็นเรื่องหัวใจเวลามันเห็นแล้วมันทํมันจะไม่เป็นเป็มในหัวใจนี้เหมือนกันโอ้ดูเรื่นะพูดกิน อย่างสอนหมูสอนเพื่อนเนีย่สอนเป็นเม็ๆๆดเป็นหน่อยสอนอย่างเข้มอย่างคนสอนเหมือนก็จะขีดจะตัดก็ดจะขีดจะตัดที่เลยียนของหัวใจของหมู่เพื่อนนั่นเองถ้าพูดเรื่องของเรื่องความเจ้าแนไม่ไไมีอะไเจ้นนาแนเท่าความเจ้าัฉนให้พลิียนๆๆนั้นเองพูดจริงจริงนะโถโถขนาดนั้นมันเห็นโทษทั้งวันไม่รู้เลยไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ที่โอขนาดนี้ก็น่า ไปคิดดูดิอย่างที่หงปูนฟาดลงไปซะจนว่าจะไม่มีอะไรเหลือแล้วในหัวใจขนาดนั้นมันยังมาหลอกได้สบายสบา ย, บายวิชาปัญญาสร้างข้าระโอสอ่างงางามันก็จะเป็นบ้ากับมันนู่นน่ะอะไรจะงามถ้าเอาวิชาเท่าจอมกับสัตว์ตวัตจิตวัตจักรนู่นน่ะดูซิมันหลอกถึงขั้นวาลาสุดท้ายยังหลงจนได้นะขนาดจนไม่หาสติมหาปัญญายังละเอียดที่มันทาอ ย, ย่างี้ยังหลงเมันมัน มามากมาสนหรือมาเป็นองค์คารัให้เมันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าปัญญาหรือว่าอะไรพูดไม่ถูกแต่เลยจากปัญญางไปแล้วคืออะไรแตอนี้มีกต่สิที่ธรรมชาติที่รู้ๆทางนั้นละเอียดมันยังหลงกันได้นีมแต่มันหลงชั่วการนะมันไม่ไม่ได้นอนใจถึงรักษาสิ่งติดมันก็ไม่นอนใจมันจับพิจารณาโดยหลักธรรมชาตินะไม่ใช่เราตั้งภาพพิจารณา ตั้งท่าระวังตั้งท่าสังเกตนะมันทั้งเป็นอยู่ใเราธรรมชาตมันก็เจอจนจนได้เพราะละเอียดต่อละเอียดเช่นอย่างความผ่องใสกับความผ่องใสมันก็เป็นสมมุติหนึ่งความสศร้าหมองมันเป็นคู่กันได้อย่างไรนั่นแล้วออกอย่างนั้นความสุขมันก็เป็นคู่กันกับความผ่องใสความสุกขก็เป็นคู่กับความสศร้าหมองความสศร้าหมองละเอียดขนาดไหนความผ่องใสละเอียดขนาดไหนสุกทุกก็ละเอียดขนาดนั้นนมันก็ตามกันได้ทัน นั่นที่สิมันมาจับกันได้นี่สว่ามันถุกว่ามันผ่องใสทําไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ทำไมมันเปลี่ยนอย่างนี้คือเปลี่ยนส่วนละเอียดทของมันสุดเลยมันยังตามพันกันเมื่อมันสร้างหมอความทุกข์ที่ละเอียดสุดของความทุกข์มันก็มาด้วยกันให้เห็นแล้วสิ่งที่ละเอียดที่จะจับกันมันจะทันกันนั่นที่มันถือว่าถึงจะติดก็ตามเมื่อมันติดก็ต้องบอกว่าติดมันติดเพื่อจะรู้ ไม่รอละเพราะงั้นถ้าอนาคามีท่านจริงไม่ไหนมาเกิดเป็นหธรรมชาตินี่มันสูงตัวเองเป็นอัตโนมัติตัวเองไปเพราก้าวิี่สูงอนาคามีบุคคลแล้เป็นขั้นอัตโนมัต่ะท่านจริงมากกลับมาเกิดอีกยังไงก็ต้องไปนแน่ๆพ้ น, นแน่ๆเหมือนว่าผลไม้เนี่ยมันแก่เต็มทีแล้วเนี่ยเอามาบ่มไม่บ่มมันก็จะสูงแน่ๆแล่วนะใหาเสียให้เป็นอย่างอื่นไม่เป็นนะ่ะ นี่จีก็เป็นเหกันเนาะจีของปานาคาสันทึ่งไม่ย้อนมาอุท่าก็ผ่านปึ้บเลยบางรายท่านก็ผ่านอในวงปัจจุบันในขันอันนี้บางรายท่าก็พอตายไปแล้วก็ผ่านไปข้างหน้าเพระแกไปเรื่อยธรรมชาติอะไ น, นันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขันนี่นะมันขึ้นอยู่กับตัวเองทิดเปอยู่ในหัวใจทำงานทำอย่งหัวใจเรียกอย่างหใจเหมือนนำพาทุกคนไปเกิดภาสาัตเกิดสลรดเวลา เขนไม่อยู่ในขันนี้ขันดับลงไปแล้วอันนั้นมันไม่ดับมันก็พาไปเกิดอยู่ใต้อยู่ดีนี่ทำที่เป็นเครื่องทั้งหารกันมันมีเต็มมีมากขึ้นมากขึ้นจนไม่สุดที่จะมายอนมากลับแล้วก็มีแต่มันจะแก่ข้างหน้าเรืยมันก็เป็นอย่างนั้นแหะหมุนก็เลยหวรายูท้ากับพังนี่พูดจริงๆมันมันมันชัดขนาดนั้นแต่มันแต่อันนี้มันมันไม่ได้เหมือนกิเลสที่มัน มันไม่อยากคุยไม่อยากพูดรู้ก็เหมือนไม่รู้นอกจากเหตุเหตุการณ์มาสัมผัสสัมพันธ์ที่จะให้พูดหนักเบามากน้อยเนั้นก็พูดไปออกเท่านั้นก็มันก็ไม่มีอะไรเพราะสิ่งเหวันนี้เป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดที่เป็นมาหล่ามีที่เป็นอยู่เหล่านี้ฮอั น, นธรรมชาตินี้มันไปรู้นะเ น, นั้นมันไปรู้มันก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปอยากไปดินน้นรนกับสิ่งวันั้นรู้ก็รู้รู้ ร, รู้ตามความจิงความจริงเมื่อถึงเวล า, าที่จะพูดหนักเบามากน้อยเพื่อ ยังอันนั้นมาเป็นประโยชน์ก็นํามาพูดกันทำไม่พูดกันเหมือนไม่มีอีกท่านท่านท่านไ้ท่านไม่ได้ดิ้นหนท่านไม่ได้หิวเวห์หอยหิ้วต้นคอน พ, พอตัวแล้วอะไรมาอยากอะไรมาหิหางเม่าหอยมันต้องมีกําลังเรื่องมีกําลังไว้หิ้กของท่านผู้บริสุทธิ์คองขันนั่นยังไง วันที่นี้กล้าพูดดี่ว่าพผู้ที่เจ้าเทศสอนโลกท่านจะมาเทศสอนปะเปาเนี้ยถึงระหว่างแ้ต่เราตัวเท่านหนูนี่มันตัวใหญ่อะไรตัวเท่านหนูมันยังเป็นยในหัวใจหมุนติวต่วติ่พลังนั้นอะไรพลังของจิตพลังของธรรมเอาว่ดเดมาจากไหนวะไม่งั้นจะว่ามันหมดด้วยคิดเดถ้ามันยังคนยังเจ็บมันมาสแสดงรับดวดลายอะไรอยู่มันจะความมันหมดเหลยนั่นก็มีแต่ทำอะไรที่ครองหัวใจล้วน ายมันคือทำทั้งหลวงเลยพุงพ่งพุง่งพุ่งพอจบแล้วหายเงียบเลยเนี่ยเ ม, ม, มยื่อมันไม่มีอีกแล้วันี่ยเหมือนปีเดียรดปีเดยนีโอ๊ยตะผูกความกดความเครียดความแันอุปาทานยึดมั่นถือมั่นฝังใจอย่างเดือที่เขาเรียก ว, ว่าอะไริตใ ต, ต, ต, ต, ต้สำนึกสำแนกทั้งว่าอะไรนั่นมันสำใต้สำนึกสำแนกอย่างตัวงูตายเมืท่านมันถูเพื่อว่าใต้สำนึก เอาละป๊อ